<c oughs> คุณ น, อนอ้อมน้อขอคุณพนนระนรตะไทรเขากาสเพื่อนสริมธรรมให้ทุกท่านจเจริญธรรมาม่ทีระยะได้ทำทุกท่านนั่งสบายๆเนาะสังเกตดูว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยจะมีผู้มาทำวัดน้อยกว่าตอนเย็นเนาะอันนี้มันจะมีสาเหตุไหลประการเหมือนกันเนาะ มันประการแรกก็คือบางทีตอนที่เช้าเนี่ยมันนะบางคนก็เลยกําลังสบายอยู่เนาะนอนหลับสบายนะความสบายก็เลยทําให้ติดความสบายนะนะเพราะฉะนั้นการจะตื่นมันทาวัดมันเหมือนกับไปรบกวนความสบายในยตรงนั้นเนาะมันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเออต้องต่อสู้กับกิเลสนะในการที่เรานอนด้วยความสบาย <c oughs> แล้วเราก็ต้องตื่นขึ้นมาเนี่ยแหละ นะมันมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไปติดความสุขมันนะความสุขจากการนอน <c oughs> ทั้งทั้งที่ก็นอนมาเพียงพอแล้วเนะี่ยแต่พอมันจะตื่นมันก็รู้สึกมันก็ติดอนะอให้นอนมาทั้งคนืนก็ยังติดอยู่นะบางคนที่ติดที่ตรงเนี้ยอืมบางคนที่ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหรนะ่ตื่นเก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าก็มีนะเนะี่ยมันเป็นความสุขความสบายแล้วก็ไปติดมันเนาะ แล้วก็ <c oughs> ถ้าสังเกตดูนะถ้าช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยยิ่งถ้าหนาวมากเท่าไหร่นะ <c oughs> จะยิ่งมีคนมาน้อยกันเท่านั้นอ่า <c oughs> ตรงเนี้ยมันมันเป็นอย่างนึงว่าไอ้ความหนาวเนี่ยอมันก็เป็นความทุกขนะ์เนอะเจอความหนาวมันก็มีความทุกข์เพราะฉนั้นเนี่ยเวลาอาผมผ้าออยู่ในที่นอนมันมีความอบอุณมันก็เป็นความสุขนะเป็นความสุข ความสุขตรงนั้นนะเราก็ไม่อยากออกจากความสุขมาเจอความทุกข์คือความหนาวเนาะตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันมันก็หนาวแล้วนะเพราะรู้สึกความหนาวอมันมีแต่ความทุกขน์นนอนต่อดีกว่าเ น, นี่ยตรงเนี้ยนะนะมันมันสังเกตได้ว่าคนเราเนี่ยจะหนีความทุกข์ไปหาความสุขเมื่ออยู่กับความสุขก็ติดกับความสุขอีกใช่ไหมนะมันอยู่อะไรแล้วติดกับสิ่งนั้นเนาะบางคนนั่งสมาธินะ มีความสุขจิตสงบนิ่งสบายไม่ได้คิดอะไรก็ไปติดอยู่ตรงนั้นนี่ก็มีนะติดความสุขจากสมาธิ้ตัวนี้มันเรียกว่าเราเราไม่ก้าวหน้าในการปฏิัธรรมมันมันไม่ได้เดินปัญญาเนา ะ, ะมันบางทีเปรียบครูบาอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบ ม, มันก็ว่าเราเดินไปอเราก็ไปเจอสถานที่สวยงามมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเราก็ไปนอนอไปพักผ่อน อยู่ตรงนั้นนะแทนที่จะเดินต่อถึงจุดหมายปลายทางก็ไปติดอยู่ะกับสถานที่ที่เราชอบใจอ่ที่มีความสุขมีความสวยงามก็ไม่ได้เดินต่อนะบางทีถ้ามันเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆมันไม่ได้อจเจริญปัญญาท่านยังเรียกเป็นสมาธิหัวต่อเลยเนาะน ะ, นะตรงเนี้ยห <c oughs> รือก็ไป <c oughs> ติดในในิมิตต่างๆนะแล้วก็คิดไปเรื่องจริง นะพอมีนิมิตเราก็ดีใจโอ้เราไปบัตธรรมได้ผลแล้วเนาะนะะเจริญก้าวหน้าแล้วนะนะบางทีก็เห็นแสงสว่างบ้างเห็นสิ่งแปลกต่างๆบ้างก็ไปติดใจนะพอติดใจแล้วก็ไปอ่าไปสแสวงหาติดใจแล้วสแสวงหาเนาะนึกว่ามันดีนึกว่ามันวิเศษนะนะตรงเนี้ครูบาจารนยะ์บอกว่าตรงนี้มันเป็นกิเลสทั้งนั้นเลยนะอนะนะมันเป็นขนทางเนื่อช้านะอาจจะเรียวกว่ามีปัสสนูกิเลสก็ได้ แต่คนคนก็ไปติดใจนะไปสะแสวงหาในตรงนั้นกันนะยิ่งถ้าไดมีคุณวิเศษแปลก แ, แก็ยิ่งติดใจชอบใจมากนะตรงนี้เป็นเป็นหนทางเดินชา้าแทบทั้งนั้นเลยเนาะสมัยที่อตาตมาบวชในพรรษาแรกนะไม่ได้บวช ท, ที่วัดนี้หรอกอยู่บวชจุดที่วัดปลาแห่งหนึ่งคือไม่วัดที่ไปบัตสมัตหะกันอย่างเข้มงวดเอาจริงเอาจังมากเลยว่าในบรรษานี้ก็เรียกว่า อดนอนผ่อาหารกันเป็นแถวเนาะก็ตอนช่วงก่อนข้าบรรสาก็มีพระองค์หนึ่งนะท่านก็เป็นอดีตข้ารายการมาก่อนนะก็คือลาจากรายการแต่ท่านก็ยังหนุ่มอยู่อเพื่อตั้งใจจะแบบว่าทำให้นานๆนะจะบวชให้นานๆยาวๆเนาะท่านก็บอกอาจมาว่าเนี่ยถ้าบวชแล้วข้ามันสายังไม่ได้คุณมีเสดอะไสักอย่างหนึ่งเช่นะจะตาทิพูทิปหรืออะไรทานองเนี่ยท่านก็จะซึกเนาะ ในพรรษาท่านก็ตั้งใจไประบรรมากแล้วก็มีเป็นกลุ่ม <c oughs> จับกลุ่มร่วมกันในการบัติธถึงดนะึกดื่นดึกดดึกดืนดดื่นหน้าเต็มหนึ่งเต็มสองเป็นประจำเนี่ยเราออกพรรษาแล้วก็พอดีท่านก็มีธุระมีกินมนไปบ้านกลับไปกลับมาครั้งสองครั้งท่านก็เลยศึกไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งน่าเสติดใจนะว่าเออจริงๆแล้วการบัติธนั้นท่านหวังอะไรกันแน่ มันมันจริงจริงแล้วนการที่เรามาบวชนมันจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือประบัติเพื่อความพ้นทุกขนะ์เนาะความพ้นทุกข์นี่แหละเป็นหนทางที่แท้จริงนะส่วนอย่างอื่นนั้นมันไม่ใช่หนทางเนาะมันมันจะไหลไปในทางที่เรียกว่ามันเสียเวลาไม่ว่าเราจะได้อะไรมาก็แล้วแต่หูทิพตาทิพหรือคุณวิเศษใดๆอันนั้นมันเป็นทางอ้อมนะถ้าไป ได้ในตรงนั้นแล้วก็ไปติดในตรงนั้นมันก็เสียเวลานะมันจะมีะราบยศสรรเสริญมีตัวมีตนต่างๆ ต, ต, ต, ตามเยอ ะ, ยะๆเลยนะครั้นนี้ถ้าเราไปหวังในตรงนั้นปั๊บมันก็พอไม่ได้มันก็ผิดหวังนะพอผิดหวังก็หมดกําลังใจนะ ท, ท, ทั้งที่ทํามาเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเนาะนะนะก็เลยอ่านะต้องจากไปนะตรงนี้มันมันสามารถที่มองได้หลายประเด็นนะคนประธรรมนะ ตรงนี้มันมันปฏิบดดัติด้วยตัณหาไหมนะด้วยตัณหาด้วยความอยากได้ด้วยความโลภนะอันนี้ผิดตัณฑ์แล้วนะอันนี้เขาเรียกเป็นภาวะตัณหานะภาวะตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นปนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสมุทัยนะคือตัณหามจะมีสามอย่างการมตัณหานะก็คือความยินดีพอใจ ความติดในรูปรถกลิ่นเสียงโผฏฐะพระธรรมลมนะแล้วก็ภาวตัณหาภาวะตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายแหล่นะแม้แต่เราปบัติธรรมเราอยากจะได้อสติสมาธิปัญญาอยากเป็นพระริยจ่าเป็นพระโสดาบันเป็นต้นะอันนี้ก็เป็นตัณหาทั้งนั้นเลยเนาะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันมีปรากฏอยู่ในสมุทในสมุไทยนี่แหละ แล้วก็วิภาวตัณหาคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมีการผักใส่ตรงนี้อารมณ์ไม่ดีก็ผักใสเข้าต่างๆเหล่านี้เนี้เป็นวิภาวตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยาก er okay. มีไม่อยากเป็นเรามีความโกรธแล้วก็ผักใสความโกรธเป็นต้นอันนี้มันก็เป็นวิภาวะทัณหาทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วเราเราสามารถกลับมาสังเกตตัวเราได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรากําลังเจง ร, งริญตัณหาอยู่หรือเปล่าแม้แต่การบิดธรรเนาะแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวก็เป็นแบบนี้นั่นแหละใช่ไหมเจริญตัณหาอยู่ก็ไม่รู้กําลังเจริญตัณหาเนาะก็เลยมีแต่ความทุกข์นะนะมีแต่ความทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่แหละคือสมุทัยนะสมุทัยก็คืออะไรก็คือสาเหตุของความทุกข์นั่นเองในเมื่อเราปฏบัติธรรมด้วยการเจริญตัณหามันก็มีแต่ความทุกข์เนาะอยากได้ปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมเราอยากจะได้อะไสักอย่างหนึ่ง อย่างที่เล่ามาก็คืออยากจะได้คุณมิเศษทิปตาที่เป็นต้นพร้อมไม่ได้มันก็เป็นความทุกข์นะปรารถนาแล้วไม่ได้ก็เป็นความทุกข์นะแล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าตัณหาด้วยนะเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะเป็นความทุกข์นะอันนี้มันก็ต้องกลับมาสังเกตตัวเราเองในการปฏิธรรมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจริงๆแล้วท่านก็มีพร้อมทุกอย่างใช่ไหมสมัยเป็นเจ้าชายศิริฐานเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างเรียกว่าร่ํารวยกว่าเราเยอะนะ อแต่ท่านอะไรท่านเห็นความทุกข์นะอเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยคนอื่นเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นเรื่องธรรมดาของยุคนั้นนะคือในคนสมัยนั้นน่ะถ้าจะทุกคนเลยมีความเชื่อเช่นนี้ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ท่านเข้าใจในตรงเนี้ท่านจะรู้ว่าตรงเนี้มันเป็นเป็นความทุกข์ที่แท้จริงเนาะส่วนคนอื่นเขาก็เห็นว่าเป็นความทุกข์ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้ก็ไปเวียนว่า ย, ยตายเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดตายไปแล้วก็ทําความดีแล้วก็จเจริญอาตาัตตกิริรัฐานโยโยคต่างๆก็ได้ไปอยู่กับพระกุบเจ้าก็รู้สึกมันก็ไม่มีความทุกข์เลยเท่าไหร่ ไปเป็นพระพรหมพบ้างอต่างๆแล้วก็รู้สึกไหมก็ไม่มีความทุกข์เป็นเทวดาก็ไม่มีความทุกข์อะไรเงี้ยก็เลยไปสนใจในการที่เรียกว่าเจริญอาสากรีหรือมรรคดุลยก็คือการทรมานตนเด่นต่างๆเพื่อให้เป็นที่พอใจของพระพเจ้าต่างๆแล้วเนี้ยอันนี้เขาเป็นความเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฐิอย่างหนึงน่งเนาะแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่หนทางความพ้นทุกข์เพรา ะ, ะนั้นถึงแม้ว่าในชาติเนี่ยเราจะ บําเพา็ญอัตตกิลมถ า, านิยตก็ตามแต่มันก็ไม่ทางพ้นทุกเนาะไปอยู่กับอาลาเดาบทเลท่าโทษดาบทซึ่งท่านก็เรียกว่าจเจริญได้อ่าสมาธิขั้นสูงที่สุดของระดับนั้นแล้วคืออลูประชานถ้ายังรู้ว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุกเลยเนี่ยอันนี้ท่านท่านมีปัญญามากเนา ะ, ะก็เคยมีคนวิเคราะห์ในตรงนี้ว่า <c oughs> ทําไมที่อ่าได้ระดับสมาธิระดับนั้นแล้วน่ะมันก็ยังไม่พ้นทุก นะแต่ทําไมตอนหลังท่านมาเจริญอาณาปณะสติใหม่ในอในคืนมันตัดสู้ทําไมเป็นหนทางของความพ้นทุกข์เนาะตรงนี้มันก็เป็นสิ่งทีาคิดนะว่าอ่าในการที่ท่านเจริญนะัะมันมีสติอยู่ด้วยนะอาณาปณะสติมันมีนมคํามสติอยู่นะส่วนตรงนั้นมันอาจจะเป็นแค่ฌานเฉยนะเพราะฉะนั้นจะมีสติอยู่นะเมื่อสติแล้วก็จะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงมันก็เลยพ้นทุกข์ได้เนาะ นะอันนี้คือปัญญาของมาหาบุรุษนะเทียมว่าเออท่านมาปฏิบัติธรรมนะเพื่อหาทางพ้นทุกข์เท่านั้นนะส่วนคุณวิเศษต่างๆนั้นท่านไม่ได้ปรารถนาแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลพลอยได้ต่างหากเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่อ่าเห็นจริงๆแล้วการปรบัธรรมเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นมันก็จะง่ายนะมันก็จะง่ายเพราะเราก็ไม่ได้ปรารถนาสิ่งใด แต่ประการแรกเราเห็นทุกหไหมเนี่ยสําคัญมากเราต้องกลับมาเห็นทุกก็ได้ก่อนะความทุกข์ก็อย่างที่ว่ามาแล้วมีความความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้มันเป็นทุกข์ประจำสังขารอยู่แล้วนะเราหนีมันไม่พน้นะทุกข์ปัจจุบันเราเห็นไหมตอนนี้มีความหนาวมันก็เป็นความทุกข์บางคนรู้สึกปวดเมื่อยนะั่งมาต้งนานแล้วปวดเมื่อยอันนี้ก็เป็นความทุกข์มาบางท่านรู้สึกหิวก็เป็นความทุกข์นะ าบางท่านอาจจะปดวดอุาจารปัสสาวะก็เป็นความทุกข์นะคือมันต้องเห็นให้ได้นะแม้แต่ในปัจจุบันนี่แหละมันก็ต้องเห็นให้ได้ถ้ามันเห็นไม่ได้แล้วมันจะเป็นสแสวงหาทางพ้นทุกข์ได้ตรงไหนมันจะไม่มีความทุกข์ใหญ่ๆเราเห็นบ่อยๆหรอห ม, มันต้องเห็นแม้แต่ทุกข์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ต้องเห็นนะความทุกข์น่ะมันเปลี่ยนแปลงในใจเราได้ตลอดเวลานะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นความทุกข์เนี่ยมันต้องเห็นในตรงนี้ให้ได้นะ มันมีความเที่ยงไหมเรานั่งเนี่ยประเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นมาเดินแล้วใช่ไหมมันทําไม่ต้องทำเช่นนั้นมันก็เป็นการแก้ทุกข์นั่นแหละแก้แก้ทุกข์นะมันต้องเห็นในตรงนี้ว่าเป็นการแก้ทุกข์ไม่ใช่ว่าเราทําแล้วอเราก็ไม่รู้ว่ามันทําไปทําไมะจริงๆแล้วมันแก้ทุกข์ทั้งวันนั่นแหละอ่าหิวก็ไปทานอาหารมันก็แก้ทุกข์ง่วงก็ไปนอนมันก็แก้ทุกข์ มันเป็นการแก้ทุกข์ทางนั้นเองนะมันไม่ใช่ว่าทําไปตามใจกิเลสของเรานะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะเห็นความทุกข์นะเป็นปรากฏอยู่ในกายและใจเราแทบจะตลอดเวลาเลยนะการที่เราเห็นทุกข์บ่อยๆเนี่ยมันจะได้รู้ว่าคนทางแห่งความคนทุกข์เนี่ยเราต้องทําให้ถึงนะมันจะได้ไม่ประมาทอยู่นะมันก็ติดนะอยู่ในความสุขนะเษถีทั้งหลายเนี่ยแหละพวกนี้ก็มีบุญเก่านะาก็มีบุญเก่าทํามดีก็ควรเป็นเศรษฐี แต่ว่ามันก็ไม่ดีอย่างหนึ่งว่าเมื่อเป็นเศรษฐีแล้วมันก็คือจริงๆแล้วเงินทองมันก็ไม่ได้ให้ความสุขหรอกถ้ามันเป็นถ้ามีให้ความสุขคนมีเงินเป็นหมื่นๆล้านก็มีความสุขทุกคนแต่จริงๆเขาก็ไม่มีความสุขเท่าไหรน่นะแต่ว่าให้ความสะดวกสบายนะความสะดวกสบายเนี่ยเราก็เลยไปติดในตรงนั้นติดความสะดวกสบายอยู่บ้านมีห้องแอร์นอนมีเครื่องทาน้าอุ่นมีรถเก๋งขับ จะทานอะไรเมื่อไหร่ก็เปิดตู้เย็นมีหมดเลยใช่ห ห, หรือจะสั่งอะไรอยู่บ้านสั่งก็มีคนมาส่งให้ที่บ้านมีโทรทัศน์น่ ะ, ะโทรทัศน์ห้าสิบนิ้วน่ะจอแบนดูมีเครื่องเสียงสเตอริโอยังดีเนี่ยมันทำให้คนติดกันนะติดในความสุขเหล่านั้นนะ่ะครันนี้เคยมีคนก็ก็โทรมาถามนะแต่ไม่โทรมาถามทศมาหรอกถามพระองค์อื่นเพราะว่าทมาที่วัดป่าสวตโตเนี่ย มันจะมีเครื่องทําน้ําอุ่นไหมไม่มีหรอกอ่าเริ่มจะถอยแล้วมีที่นอนไหมมีเสือให้นอนเริ่มจะถอยแล้วอะไรทั้งหลายแหละรู้สึกฟังแล้วมันมาที่วัดนี้มันลําบากนะอต้องนอนเสื่อไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะอมันไม่สะดวกไม่สบายนะไม่มาดีกว่านั้นเนี่ยมันมันมันมันติดแล้วนะมันก็เลยไม่อยากออกมาไปฏิบัติธรรมอะไรนะ บางทีแทบจะไม่อยากไปไหนเลยนะอตรงเนี้ยมันเป็นติดอยู่นะเห็นมหมพระเถรพุทธเจ้าบอกว่าหนทางนี้มันไม่หนทางแห่งความพ้นทุกคืออะไรคือการมาสุขันหรือการ โ, โยกใช่ไหมการที่เราไปติดอยู่กับความสุขนในรูปรดกลิ่นเสียงผดทะพะธรรมลมเนี่ยมันไม่เห็นหนทา ง, งความพ้นทุกเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยมันก็ชอบเรื่อนี้อยู่แล้วอมันจริงๆแล้วมันชอบแล้วกินเลยมันชอบตัางหามันไม่ใช่เราชอบหรอก กินเลย ว, ว่าอย่าไปเลยไปวัดลําบากเนาะไปบัตธรรมก็ลําบากนะไปทุูดงก็ลําบากอย่าไปเลยเนี่ยมันบอกว่าให้เราติดในความสุขก็เหมือนเรานะตื่นขึ้นมาตีสามโอ้อไปทไําไมเนาะทำบ้านนอนดีกว่านอนต่อดีกว่านะอ่าไม่มีใครว่าวเราหรอกนอนต่อดีกว่าเห็นไหมเนี่ยมันติดในความสุขแล้วนะเนียมันต้องเห็นให้ได้ตรงนี้นะอ่ามันก็จะติดทุกอย่างนั่นแหละมา รูปรถกลิ่นเสียงโผฏฐพัท ธ, ธรมรลมนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่านี่มันเป็นการมตัญหาซึ่งเป็นสมุทัยตัวแรกเราต้องรู้ทันมันะรู้ทันมันแล้วก็ออกจากมันให้ได้นะอถ้าเราออกจะมันไม่ได้มันก็มีความติดอยู่นะอบางทีเราไปบัตธรรมนะเราอาจจะได้ยินเสียงอต่างๆก็แล้วแต่นะเสียงเพลงบ้างหรือแม้แต่เสียงรถหรือคนคุยกัน เสียงนกอ่เสียงไก่เสียงสุนัขเห่ามันปรากฏอยู่เรื่อยๆนะอ่บางทีเราได้ยินเสียงเพลงอ่เราก็ชอบใจอได้ยินเสียงมาเห่าเสียงดังก็ไม่ชอบใจอเสียงรถจนกรวิ่งมาเสียงดังเราก็ไม่ชอบใจอีกะได้ยินเสียงใครมาพูดใกล้ๆแถวนี้โอ้เสียงเพราะอย่างเลยเราก็ชอบใจอีกแล้วเป็นยังไงจิตสรงออกนอกตลอดเลยนะมันไม่รู้อะจิตส่งออกรอกแต่มันไปติดใจอไปพอใจ อ่าหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นมันไม่รู้นะตรงเนี้ยมันจิตส่งออกไปเนี่ยมันเรียกว่าทั้งหัว <c oughs> รูปรดกลิ่นเสียงพลัทธมธรรมรมมัน <c oughs> มันดึงดึงจิตเราไปนะั่นแล้ไม่รู้นี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเราไม่รู้ตัวไม่รู้ทันกายหรือไม่รู้ทันใจแลนะ <c oughs> แต่ขณะนั้นถ้าหากว่าเรามีสติอยู่นะมันจะรู้ทันเออขณะดนี้มีความชอบใจเกิดขึ้นแล้วรู้ทัน จะมีความไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วรู้ทันเนี่ยมันก็กลับมานะแต่ครั้งเนี้ยมันต้องรู้บ่อยๆนะต้องรู้บ่อยๆก็คือให้มันจําให้ได้เอจําให้ได้ซะก่อนเพราะงั้นครูบาอาจารย์ยังบอกว่าคนที่โกรธบ่อยๆนะคนนี้จะบัดทาได้ผลเร็วเพราะอะไรเพราะการที่มันโกรธบ่อยก็จะได้มันเกิดบ่อยใช่ไหมอ่าเกิดบ่อยอะไรที่มันเกิดบ่อยเราจะจํามันได้แม่นใช่ไหมเออจำได้ละอ่าประเดี๋ยวนะอ่ใครมาด่าเราปุ๊บเราโกรธมานินทาเราปุ๊บเราโกรธ อใครมาทําอะไรไม่พอใจมาเราโกรธเนี่ยเพราเป็นโกรไปบ่อยมันก็เลยจ um นะ e e, um ําแม่นนะอจําแม่นฮะโกรธเป็นแบบน้วมันจําแม่นครานี้พอมันเกิดพอเรามาปฏิวัติธรรมแล้วเนี่ยอ่าแต่คนแม่คคาเขาก็จําแม่นนะอันนี้ที่ว่าไมนต้องต่างกันนิดนึงไม่ว่าจ e ําแม่นแล้วมันจะออกจากความโกรธได้แมคคานี้เขามีความโกรธไปไประจำนะแต่เขาไม่ตั้งใจที่จะละความโกรธเขาก็ไม่เห็นความโกรธมันไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเขาโกรธบ่อยๆเขาก็จําไม่ได้หรอกเขาก็เพลเพจะชอบใจในความโกรธเสกเนาะ แต่เราเรารู้แล้วความกดไม่ดีนะเรามาเปิดทามันกดบ่อยๆไม่เป็นไรเราเริ่มจํามันได้ล้วทีหลังพอมันกดปั๊บจะจํามันได้แม่นโอ้จาได้ละพอจําได้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นไงเราก็รู้เฉยๆอย่าไปสนใจมันอย่าไปให้ค่ากับมันอย่าไปผักใสมันแล้วก็อย่าไปอยู่กับมันแค่เนี้เราเห็นมันเฉยๆบ่อยมันก็ไปมันก็ไปก็เห็นมันมาแล้วก็ไป อันนี้มันเกิดปัญญานะเห็นความเกิดความกับของความโกรธมันก็เป็นปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาปั๊บเป็นไงมันก็เริ่มเดินปัญญาเริ่มเดินวิปัสสนาได้เห็นปตายรักตามมาว่าสิ่งแล้วเนี่ยเราบังคับบัญชาเข้าไม่ได้เข้ามาแล้วก็ไปมันแสดงความไม่เที่ยงแสดงความทุกข์เราเห็นแล้วถ้าเราเห็นตัวนี้บ่อยๆนะความยึดติดในสิ่งนั้นมันก็ลดลงไปเห็นว่าจิตมันทํางานเองไม่ให้กายไมใ่ใจไม่ตัวไม่ตนของเราไม่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา มันก็พ้นทุกได้นะจากการเราแค่เจริญสตินี่แหละเพราะฉนั้นตรงเนี้ยมันก็ประการแรกก็ต้องมีสติให้ได้ก่อนสติเนี่ยเขาเรียกว่าเราต้องจำเราภาวธรรมให้ได้ด้วยนะเพราะฉนั้นบางทีเราคิดนะทำไมก็เราคิดอยู่แล้วนะคิดวันๆห น, น, นึงคิดไม่รู้กี่ครั้งนะสิติบอกว่าคิด5้า0 0ื่ครั้งอันนี้ประมาณนะตรงเนี้ยเราคิดต้องห 0,000 นครั้งแล้มไม่เคยจําได้แล้วว่าเรามีความคิดสักครั้งนึง เพราะเราไม่เคยกลับมาสังเกตเลยมันคิดอะไรวันทั้งวันนะแต่ถ้าเรามีสติปั๊บคิดไปรู้ทันคิดไปรู้ทันนะมันจะเริ่มจําได้แล้วจําอะไรจําความคิดที่มันหลงไปได้นะะคือคนที่เขาไม่ปฏิธรรมเขาจะจําไม่ได้หรือจะจําได้ก็แต่ก็ไม่สนใจนะเพราะมันก็เลยคิดทั้งวันคิดอ่านอะไรสารละนะอา น, นั้นจิตฟุ้งซ่านอันนั้นไปสร้างของศุลกรรมเยอะแยะเลยเนาะ แต่นี้เราเรามาปฏิบัริทเราเริ่มรู้แล้วเออมีความคิดเราจําได้ยิ่งเห็นบ่อยๆเราก็จาได้นะต่อไปเพื่อความคิดเกิดขึ้นแปบหนึง่งเราจําได้ปุ๊เป็นไงมันก็เลยหยุดมันก็เลยดับนะตรงเนี้ยมันสําคัญมากเลยนะหลวงพ่อเทมบอกว่ายิ่งคิดกนะ็ยิ่งรู้นะเพราะอย่าไปกลัวความคิดอ่ะยิ่งคิดยิ่งรู้นะนะเมื่อมีความคิดบ่อยๆเราก็จามันได้เท่านั้นเองนะเพราะเรามีสติรู้ทันมันก็เลยดับดับดบ ตรงเนี้ยถ้าเราเห็นบ่อยๆนะจินตน จ, จะตั้งมั่นอ่าจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเลยนะจิตตั้งมัน่นปุ๊บมันจะเห็นเลยไอ้กายและใจเนี่ยเป็นแค่สิ่งเรารู้เราดูทั้งนั้นเองนะอ่ามันมีการกระเดกในทางใจปุ๊บรู้ทันอ่ากระเดกในทางกายปุ๊บรู้ทาง น, นะมันจะเห็นโดยที่เราไม่ต้องไปบ้าเบับงคับจิตใจให้อยู่ตรงนี้นะต้องไม่คิดอะไรนะไม่ต้องบังคับนะาใจมันดูมันรู้เองเพราะใจจิตมีความตั้งมัน่น มีความรู้เนื้อรู้ตัวนะตรงนี้ถ้าจุจเป็นแบบนี้นะมันจะเห็นความคิดเนี่ยเกิดดับไวมากนแป๊บเดี๋ยวก็มาแป๊บเดียวก็ไปนะมันเป็นการเดินปัญญาในตัวอยู่แล้วมันเป็นการแยกธาตุแยกขันนะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งเขาทํางานเขาเองไม่ใช่เราเนาะตรงเนี้ยมันเดินปัญญาอย่างแท้จริงเพราะามันเข้ามาเห็นมัตติรักแล้วเนะขันเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ได้มันมันง่ายแล้วการมาทําก็ง่ายเนาะ อความคิดจริงๆมันทํางานเองไหมบางคนบอกว่ามันไม่ได้ทํางานเองหรอกเราเป็นคนคิดต่างหากแหละเราคิดเองเหรอแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอเรายังไม่รู้เลยนาทีข้างหน้ามันจะคิดอะไรใช่ไหมถ้าเราคิดเองก็ต้องรู้ดินาทีข้างหน้าจะคิดอะไรเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมมันคิดเองทั้งวันบางทีเราก็ไม่อยากคิดนะมันก็คิดมันเองเรื่องที่เราไม่ชอบมันก็ยังคิดมันเองอคนนี่ทําเราเกลียดก็ไม่มันก็ไปคิดมันเอง มาไม่คิดมันทั้งวันอยู่แล้วล่ะใช่ไหมความคิดก็มีสองอย่างความตั้งใจคิดและความไม่ตั้งใจคิดนะไม่ตั้งใจคิดเรียกวความลักคิดหรือความหลงไปเนี่ยมันเยอะมากเลยนะมาต้องแยกให้ออกนะอ่ความตั้งใจคิดก็คิดไปไม่เป็นไรตรงนั้นเป็นความตั้งใจอยู่แล้วไอ้สวนนอกจากความตั้งใจมันมีต้องเยอะๆเรารู้ทันมันไหมมาถ้ารู้ทันปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันสำคัญนะรู้ทันปุ๊บมันดับรู้ทันปุ๊บมันดับเพราะอะไรตอนที่จิตมันตั้งมันแล้วเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วนะ มันแยกแป็นผู้ดูผู้รู้แล้วนะหลังนั้นมันจะเริ่มเห็นจิตกระดุกกระดิกมันก็รู้ทันะตรงนี้มันจะไวต่อไปมันจะเดินด้วยปัสนาคือเห็นมตไตรักณได้เองเนาะเพราะนั่นการเจริญสติเนี่ยเราก็เพื่อให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้เป็นผู้ดูผู้รู้ให้ได้เมื่อเป็นผู้ดูผู้รู้ให้ได้มันก็จะแยกธาตแยกขันธ์ก็เราเห็นอกายมันก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งเราเราเป็นผู้ดูกายมันทํางานมันจะแยกมาแล้วนะ เราเป็นผู้ดูกายมันทํางานมันเดินโยงกลมเราก็ดูไปอ่ะมันเดินนะอ่ะเมื่อก่อนเป็นตัวเราเดินนะแต่ถ้ามันแยกเป็นผู้ดูเลยเห็นว่ามันแค่กายมันเดินอ่ะยืนเดินนั่งนอนมันก็เป็นผู้มันก็เป็นผู้ดูตลอดนะอะตรงนี้มันก็ดูง่ายไม่ยากหรอกเพราะว่าเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วเราก็แค่เป็นผู้ดูมันเท่านั้นเองอะสังเกตดูไปนะคราวนี้จิตใจแล้วก็เห็นเขาทางานไปอ่ะเมื่อก่อนมันมีความคิดมันก็เราเป็นคนคิด เมื่อเราเป็นผู้ดูล้วก็เห็นมันคิดนะเราเป็นผู้ดูดูใจมันคิดนะดูใจมันโลภมันโกรธมันหลงดูใจมันทำงานไปนะตรงนี้เมื่อเราดูแล้วเนี่ยต่อไปมันจะเดินวิปัสสนาได้เองไม่เห็นว่าตรงนี้เราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะเขาจึงคิดไปเขาจึงมีความโกรธความรักความชังความโลภความหลงนะมันทำงานเองหมดเลยนะเราใจะย่ามเป็นผู้ดูทางนั้นเองดูโดยการที่ไม่มีส่วนได้เสียเนาะ ไม่ต้องไปจัดการอะไรกับเขารู้เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเป็นแค่รู้แล้วทิ้งรู้แล้วทิ้งไม่ไม่วุ่นวายไม่แทรกแสงไม่จัดการอะไรทั้งสิ้นมีหน้าที่ดูมันก็ดูละครดูหนังดูลิเกออันนี้เท่านั้นเองนะตรงนี้มัไม่ใช่ผู้ดูที่แท้จริงดูด้วยใจที่เป็นกลางไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆดูแล้วก็ผ่านไปไม่ไปจัดการสิ่งใดทั้งสิ้นตรงเนี้หลักนั้นกิจเราก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่า มาเป็นกลางได้ง่ายๆนะพะมันเริ่มจำจํำภาวะความเป็นกลางได้แล้วการมาทำมันก็ต้องจําให้ได้นะตรงไหนเป็นกลางตรงไหนไม่เป็นกลางไอ้ที่ไม่เป็นกลางเนี่ยเราต้องรู้ทันนะไอ้ความเป็นกลางที่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ไอ้ตรงที่ไม่เป็นกลางมันดูง่ายกว่านะเห็นแล้วนะเราไปรักไปชังไปกดไปเกียรต์ตรงนี้มันไม่เป็นกลางแล้วใช่ไหมมันออกจากความเป็นปกติหรือเป็นกลางนี่แหละเราก็เห็นมันชัด นะเมื่อเรารู้ความไม่เป็นกลางบอ่อยๆมันก็จะเป็นกลางได้เองนะในสุดถ้าความเป็นกลางนี่มันมันสามารถที่จะเข้าใจแล้วนะมันก็ไม่ติดในสิ่งใดนะถ้าเราติดว่าเราเป็นคนถูกมันก็ต้องมีคนผิดนะก็ไปเพ่งโทษคนผิดอีกนะเราคิดว่าเราเป็นคนดีติดในความดีอ่านะเราไปเพ่งโทษในคนที่ทําความชั่วอ่านะคนทําความไม่ดีอีกใช่ไหมนี่เป็นความปรุงแต่งที่เราไม่รู้ทันนะนี่แหละคืออัตราตัวตน มานะทั้งหลายในใจเราก็ยังมีอยู่เนาะเพราะฉนั้นนะจากการเราสามารถสังเกตจิต บ, บ่อยๆให้ได้รู้ทันจิต บ, บ่อยๆที่มันกระดุกกระดิกมันเคลื่อนไหวเนี่ยจิตจะค่อยๆเป็นกลางเองจะเป็นูปกติได้เองจะเป็นแค่ผู้ดูผู้รู้ได้เองเนาะหลังนั้นจิตก็จะเริ่มคลายความยึดติดความเป็นตัวเป็นตนนะนี่แหละคือนะเริ่มปล่อยเริ่มวางนะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เนาะอันนี้ก็คือหนทางแห่งการปธรรม ในสุดไมื่อถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมกันเจริญสติกันนะก็ต้องรูง้หนทางการเดินทางแล้วเราก็จะไม่หลงทางนะไม่ไปผิดทางแต่ถ้าเราไม่รู้หนทางแล้วมันก็จะผิดทางในง่ายง่ายนะเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านจเจริญสติด้วยความมีสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเท่าน